กล่าวคือเมื่อจะกินอาหารเกิดความสำนึกรู้หรือความรู้คิดเข้ามาแทรกไม่ปล่อยกระแสะความรู้สึกไหลเรื่อยจากเวทนาสู่ตันหาตะเลิดไปกระบวนการฝ่ายอาวิชชาตันหาก็ดับหรือเงียบหายกลายเป็นกระบวนธรรดับอวิชชาขึ้นมาแทนตัวเริ่มที่เข้ามาดับอวิชชาและตัดหน้าตันหาก็คือโยนิโสมนัสิการ